เรื่องที่สิบสี่เรื่องพ่วงที่หนึ่งจริยธรรมนักการเมืองบรรยายเมื่อวันที่ยี่สิบมีนาคมพุทธศักราช2542ร่องเริ่มต้นขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่าจริยธรรม จริยธรรมในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงจริยธรรมในความหมายแคบๆตามที่เราใช้กันปัจจุบันแบบตะวันตกซึ่งเน้นที่พฤติกรรมทางสังคมแต่จริยธรรมในความหมายทางพระพุทธศาสนาได้แก่การดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตทั้งหมดคือความเป็นอยู่ความรู้สึกนึกคิด ทั้งจิตใจทั้งปัญญาทั้งพฤติกรรมทั้งหมดในที่นี้เราพูดกถึงจริยธรรมของนักการเมืองเมื่อพูดถึงจริยธรรมในระดับของคนชั้นนำอย่างนักการเมืองนี้ก็ขอข้ามเรื่องจริยธรรมสามัญสำหรับคนทั่วไปซึ่งถือว่าทุกคนควรจะมีจริยธรรมพื้นฐานอยู่แล้ว อย่างเรื่องของการมีศีลห้าการไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายร่างกายทําลายชีวิตผู้อื่นการไม่ละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่นการไม่ประพฤติผิดทางเพศการไม่พูดเท็จโกหกหลอกลวงการไม่ดื่มสุรายาเมาสิ่งเสพติดในการก่เรื่องอาบายามุขเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของ จริยธรรมพื้นฐานซึ่งทุกคนก็ควรจะมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในระดับของนักการเมืองก็ไม่จำเป็นต้องพูดถึงอีกเพราะว่าเมื่อพูดถึงจริยธรรมของนักการเมืองก็ต้องหมายถึงการดําเนินชีวิตความรู้สึกนึกคิดใจิตใจและสติปัญญาของผู้ที่จะไปบริหารบ้านเมืองหรือว่าเป็นผู้นําของประชาชนในกิจการ ของประเทศชาติเพื่อจะนำประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญงอกงามและสันติสุขเลิ่มต้นเมื่อพูดถึงจริยธรรมของนักการเมืองก็ต้องพูดถึงจุดหมายของงานการที่เกี่ยวกับบ้านเมืองเช่นการบริหารการปกครองหรือการดำเนินกิจการต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศชาติ ซึ่งเป็นเรื่องทางด้านปัญญาเรจจะพูดกันง่ายๆว่าจุดหมายของงานการเมืองก็คือการที่จะบริหารกิจการหรือปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเป็นต้นแต่อย่างนี้ยังไม่ใช่จุดหมายที่แท้จริงอะไรคือจุดหมายที่แท้จริง เราจะต้องมองลึกลงไปว่าธรรมดาชีวิตของคนเราก็ดีสังคมก็ดีนั้นมีจุดหมายของมันเองอยู่แล้วคือชีวิตต้องการความเจริญงอกงามความเป็นสุขรือการที่ชีวิตนั้นจะพัฒนาให้ดีงามยิ่งยิ่งขึ้นไปสงมมังคมก็เช่นเดียวกันมีจุดหมาย ที่จะทำการสร้างสรรค์เช่นมีอารยธรรมที่เจริญก้าวหน้าเป็นต้นมีการบริหารบ้านเมืองที่ว่าให้สงบสุขหรือราษฎรอยู่ดีกินดีนั้นความจริงก็เพื่อมาเป็นสภาพเอื้อให้แก่จุดหมายของชีวิตและจุดหมายของสังคมที่พูดไปแล้วนั้นอีกชั้นหนึ่งหมายความว่า จุดหมายของการเมืองหรืองานการเมืองนั้นเพื่อสร้างสภาพเอื้อให้แก่การที่ทั้งชีวิตและสังคมจะพัฒนาไปสู่จุดหมายของมันที่พูดอย่างนี้มีความสำคัญมากเพราะถ้าเราไม่มองอย่างที่ว่านี้เราจะมองไปตันแค่ว่าใช่เป็นนักปกครองก็คือให้บ้านเมืองอราย่อมย่อมเย็นเป็นสุขอยู่กันเรียบร้อย มันก็จัดการบ้านเมืองให้สมบเท่านั้นบางทีการปกครองก็จะเป็นเรื่องอำนาจหรือมิฉะนั้นอย่างน้อยก็จะทาให้บ้านเมืองนั้นอยู่ในวังวนของความเจริญและความเสือ่อมยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อบริหารบ้านเมืองดีมีความสามารถอยู่ดีกินดีเช่นมีความางางทงความตางเศรษฐกิจคนก็มารุ่มหลงเพลิดเพลิน หันไปเน้นเรื่องการเสพบริโภคกา ร, รบำรุงบำรเลอแล้วก็รุ่มห ล, มลมงโวมเมาสังคมก็เสือ่อมลงที่จริงนั้นผู้บริหารประเทศชาติหรือนักการเมืองโดยทั่วไปจะต้องจัดงานการบ้านเมืองนั้นก็เพื่อให้เกิดสภาพเอื้ออย่างที่ว่าเมื่อกี้คือคำนึงอยู่เสมอว่า งานการที่เราทําหรือการที่จะบริหารกิจการบ้านเมืองนั้นก็เพื่อให้ชีวิตและสังคมนั้นได้สภาพที่เกื้อนหนุนต่อการที่จะกล้าไปสู่จุดหมายเช่นจเจริญงอกงามในอริยธรรมยิ่งยขึ้นไปไม่ใช่เป็นจุดหมายปลายปิดที่เพียงว่าให้ชีวิตสังคมอยู่กันสบายแล้วก็จบซึ่งอย่างนั้นจะตัน เมื่อเข้าใจจุดหมายของการบริการปกครองการบริหารกิจการต่างๆแล้วก็จะต้องใช้ปัญญาศึกษาให้มากขึ้นคื อ, คอไม่ใช่หยุดอยู่แค่ว่าพอรู้เข้าใจว่าจุดหมายของการบริการปกครองเพื่อบ้านเมืองเย็นเป็นสุขประชาชนอยู่ดีกินดีแต่ที่จริงมันจะต้องคํานึงไยว่าอะไรคือจุดหมายของชีวิตอะไรคือจุดหมายของสังคมที่เขาควรจะก้าวต่อไปแล้วก็ ไปเกื้อหนุนให้ชีวิตและสังคมเจริญงอกงามไปสู่จุดหมายอย่างนั้นอันนี้เป็นด้านปัญญาพร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งก็คือด้านจิตใจด้านจิตใจที่คู่กับเรื่องของความรู้เข้าใจจุดมุ่งหมายของการบริกา ร, การปกครองการบริหารแผ่นดินนี้ก็คือจิตใจที่ใฝ่ปรารถนาอยากจะบรรลุจุดหมายนั้น อันนี้เป็นจุดสาคัญเป็นแรงจูงใจแล้วก็เป็นพลังที่จะผลักดันให้นักการเมืองเก้าไปในจริยธรรมที่เป็นวิถีแห่งชีวิตในหน้าที่การงานของตนยิ่งความใฝ่ปรารถนาหรือความอยากตัวนี้แรงเข้มเท่าไรก็ยิ่งได้ผลเท่านั้นแต่ในทางตรงข้ามถ้าขาด ตัวความใยความอยากความปรารถนาต่จุดหมายนี่แล้วก็มีทาที่จะเขวได้มากในที่นี้ก็เลยต้องขอพูดถึงเรื่องของตัวแรงจูงใจอันนี้คือตัวความอยากความใยปรารถนานี้ว่าในเบื้องต้นจะต้องแยกเป็นสองอย่างความอยากประเภทหนึ่งก็คือความอยากต่อสิ่งนั้นๆอยากให้สิ่งนั้นนั้นมันดี หรือให้มันเจริญก้าวหน้างอกงามพูดง่ายๆก็คืออยากให้มันดียังมีความอยากความฝ่ายปรารถนาต่อประชาชนก็คืออยากให้ประชาชนดีมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขมีความฝ่ายปรารถนาต่อบ้านเมืองก็คืออยากให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้ามั่นคงมีความร่มเย็นเป็นสุข ทรืทำงานใดก็ตามมีความใฝ่ปรารถนาให้สิ่งนั้นดีเป็นความปรารถนาต่อสิ่งนั้นเองนี่อย่างหนึ่งทีนี้ในทางตรงข้ามจะมีความปรารถนาหรือความใฝ่ความอยากอีกแบบหนึ่งคือความปรารถนาความอยากที่โยงเข้ามาตัวตนอยากเพื่อตนเองคืออยากได้อยากเอาก็คือว่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็เพื่อให้สิ่งนั้น อำนวยลประโะชน์ให้แก่นตนเองความอยากประเภทหลังนี้เรียกว่าตัณหาส่วนความอยากประเภทที่หนึ่งเป็นความอยากที่ท่านเรียกว่าเป็นกุศลมีชื่อเฉพาะว่าฉันทะพระพุธเจ้าตัสว่าความอยากที่เรียกว่าฉันทะเนี่ยเป็นแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงามเป็นรุ่งอ ร, รุณหรือแสงอรุณ นั่เป็นจุดเริ่มที่สําคัญของวิถีชีวิตที่ดีนักการเมืองก็จะต้องมีตัวเนี้ยตัวความอยากความใฝ่ปรารถนาที่ดีต่อสิ่งที่ตนก็้าไเกี่ยวข้องซึ่งในที่นี้ก็คืองานการเมืองแล้วก็ตัวแรกก็คือความใฝ่ปรารถนาต่อจุดหมายของการเมืองการปกครองนั้นอยากให้จุดหมายนั้นสําเร็จผลย่ันแท้จริงมีความมุ่งมั่นเด็ดเดียว ความอยากสองประเภทนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวตัดสินทีเดียวว่านักการเมืองจะเดินไปในจริยธรรมได้หรือไม่ถ้ า, ากว่ามีความอยากประเภทหลังที่เรียกว่าตันหามีความอยากที่โยงเข้ามาหาตัวเองเพื่อตัวเองหรือว่าความอยากได้ผลประโยชน์ ความอยากได้รับการบำรุงบำ ร, รุงการอยากเส บ, บริโภคซึ่งเรียกว่าตัณหาแล้วก็ความอยากประเภทเดียวกันนั้นก็คือความอยากยิ่งใหญ่ความอยากได้อํานาจอันนี้เรียกสัพ์เฉพาะว่ามานะแล้วก็ยังมีความอยากที่เกี่ยวข้องกับตัวตวนอีกอย่างหนึ่งก็คือความต้องการสนองความยึดถือขอตัวเองตัวเองยึดถืออย่างไรจะต้องให้เป็นอย่างนั้นให้ได้ คือตรงข้ามกับการคำนึงถึงความดีงามและประโยชน์สุขของประชาชนหรือของชีวิตและของสังคมถ้าากว่ามีความยากประเภทหลังที่เรียกว่าตัณหามาณนะะกกพร้อมทั้งทิฏฐิแล้วก็มีหวังว่าความวิบัติอหานะจะรออยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นจึงต้องมีตัว แรงจูงใจเบื้องต้นที่เรียกว่าความอยากที่เป็นกุศลคือฉันทะนี้ในความอยากที่เรียกว่าฉันทะซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นที่จะนําเข้าสู่เยียะธรรมก็ควรจะแยกให้เห็นชัดลใหม่อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าฉันทะคือความอยากต่อสิ่งนั้นๆเพื่อความดีงามหรือความสุขเป็นต้นของสิ่งนั้นๆเอง ถ้าพูดง่ายๆก็คือความอยากให้มันดีไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรทําอะไรก็อยากให้สิ่งนั้นมันดีด้วยดีที่สุดของมันเมื่ออยากให้มันดีก็จะต้องก้าวต่อไปก็คืออยากทําให้มันดีเพราะว่าถ้ามันยังไม่ดีก็อยากทําให้มันดีเราก็ยังต้องก้าวต่อไปอีกว่าเมื่ออยากทําให้มันดีก็ต้องรู้ว่าทําไงจึงจะให้มันดีได้ ก็นำไปสู่การศึกษาการหาความรู้การพัฒนาสติปัญญาคือความอยากรู้ตามมาเะนั้นความอยากให้มันดีหรือใฝ่ฝ่ดีก็ความอยากรู้หรือฝ่รู้เนี่ยก็จะเป็นความหมายสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าฉันทะเราจะมองเห็นความแตกต่างกันได้ชัดเจน ว่าถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายด้วยความอยากสองประเภทนี้ผลจะต่างกันอย่างไรคือเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรโดยอยากให้มันดีกับเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรโดยอยากให้มันอำนวยผลประโยชน์ให้กับตนถ้าหากว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆโดยอยากให้มันดีอันนี้แน่นอนว่าก็คือ การมีจริยธรรมหรือจุดเริ่มของจริยธรรมต่อจากนั้นเราก็จะคิดเราก็จะพยายามเราก็ทำการต่ตางๆในสิ่งนั้นมันดีเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสิ่งนั้นเองใช้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งกับคนหรือประชาชนแต่ถ้านำมาใช้กับคนหรือประชาชนคำว่าอยากให้มันดีนี้ จะมีความหมายรวมไปถึงการให้เขามีความสุขอยากให้เขาดีงามก็คือให้เขามีชีวิตที่ดีงามอยากให้เขามีความสุขความอยากให้มันดีที่มีต่อเพื่อนมนุษย์หรือต่อคนต่อประชาชนนี้มีสัพ์เพียกพิเศษว่าเมตตากรุณานั้นเมตตากรุณาก็คือฉันทะ หรือความอยากความใฝ่ดีนั่นเองที่แสดงออกต่อเพื่อนมนุษย์นักการเมืองการปกครองก็จำเป็นจะต้องมีตัวความฝ่ดีปรารถนาดีอยากให้มันดีอันนี้ต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์หรือต่อประชาชนในพูดเรื่องนี้ยืดยาวก็เพราะว่าจะต้องย้ำให้มาก เพราะเป็นจุดตัดสิกอย่างที่กล่าวแล้วถ้าขาดตัวความใฝ่ดีอยากให้มันดีอันนี้ก็ไปมีตรงข้ามอย่างที่กล่าวแล้วก็คืออยากได้ผลประโยชน์อยากใย่อยากโตอยากเหนี่ยมนาดเป็นต้นซึ่งมันจะตรงข้ามกับจริยธรรมถ้าว่ามีตัวตัณหามามมณทิฐิแน่นอนว่าจริยธรรมเดินไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นจะต้องมีการพัฒนาเจ้าตัวความอยากให้มันดีและอยากทําให้มันดีนี้ให้มีความเข้มข้นแรงกล้าให้เป็นไปอย่างมุ่งมั่นที่สุดให้ฝังลึกลงไปอยู่ในจิตใจให้ได้เมื่อมีความฝ่ายดีอยากให้มันดีความปรารถนาประโยชน์สุขแก่ประชาชนแก่บ้านเมืองอย่างนี้แล้วแต่ตัวความปรารถนาดีอันนี้ก็จะ มีความลึกซึ้งลงไปฉันพูดด้วยคำสั้นๆว่าความอยากให้ธรรมะเกิดมีขึ้นหรือความใฝ่ธรรมอยากให้ธรรมะความดีความงามความจริงความถูกต้องมันเกิดมีขึ้นในสังคมนีอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่การที่มีการปกครองมีการงานบ้านเมืองต่างๆเนี่ยก็เพื่อ ให้เกิดมีธรรมะขึ้นในสังคมมนุษย์หรือเพื่อดำร ง, งธรรมะให้คงอยู่ธรรมะนี่ก็พูดง่ายๆอย่างที่กล่าวแล้วว่าคือความจริงความถูกต้องความดีงามประโยชน์สุขที่แท้จริงรวมทั้งหลักการที่จะให้เกิดความดีงามความถูกต้องเหล่านี้การที่เราจัดตั้งวางหลักการต่างๆเช่นหลักการทางด้านรัฐศาสตร์ หลักการทางด้านนิติศาสตร์หลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือหลักการในเรื่องใดๆก็ตามก็เพื่อให้มีเกณฑ์มีมาตรฐานในการที่จะดำเนิน ง, งานเพื่อสร้างสรรทำให้เกิดความดีความงามความถูกต้องเมื่อเราต้องการความดีงามประโยชน์สุขแก่บ้านเมืองเราก็ต้องยึดถือในหลักการเหล่านี้หลักการเหล่านี้ก็เรียกว่าธรรมะ พราะฉะนั้นนักการเมืองจะต้องมีจริยธรรมเบื้องต้นที่สุดขั้นต่อไปต่อจากความอยากที่ถูกต้องหรือความใฝ่ปรารถนาที่เรียกว่าฉันทะ น, นั้นก็คือการที่จะต้องยึดถือเอาตัวธรรมะเป็นใหญ่ที่ทางพระเรียกว่าธรรมอาทิตย์ไตยถ้าคนเราไม่ถือเอาธรรมะเป็นใหญ่คือไม่ถือเอาหลักการไม่ถือเอาความจริงความถูกต้องความดีงามประโยชน์สุขที่แท้ เป็นมาตรฐานหรือเป็นใหญ่เป็นที่ยึดถือมันก็จะเอ็นเอียงหรือเขวยออกไปยึดถือเอาตัวตนเป็นใหญ่เอาผลประโยชน์เป็นใหญ่เอาคะแนนเสียงเป็นใหญ่เป็นตนถ้าถือเอาตัวตนผลประโยชน์ของตนความยิ่งใหญ่อำนาจของตนเป็นต้นเป็นใหญ่ท่านก็เรียกว่าตาทิพยไตยถ้าถือเอาความนิยม การเอาออกเอาออใจกันความชอบใจพึงพอใจของคนจํานวนมากไปไม่คํานึงถึงหลักเกณฑ์กันถ้าถืออย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นโลกาติปไตผู้เป็นนักปกครองเป็นนักการเมืองเป็นนักบริหารก็ถือเป็นเรื่องสําคัญว่าตอนนี้จะออกสู่ภาคปฏิบัติก็ต้องตั้งหลักก่อนอตัวที่จะตั้งหลักก็คือจะต้องยึดถือตัวธรรมะเป็นใหญ่ กย้ำว่าก็คือการถือหลักการถือความจริงความถูกต้องความดีงามเหตุผลประโยชน์สุขที่แท้เป็นใหญ่เป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานเมื่อถือทำเป็นใหญ่ก็เห็นกับทำเห็นกับความจริงความถูกต้องความดีงามยึดถือตามหลักการก็จะไม่เอน็นเอียงไปข้างไหนไม่เห็นกับผลประโยชน์ไม่เห็นกับพักพวก ไม่เห็นแก่คะแนนนิยมเป็นต้นจะมีความชัดเจนในการทำงานเมื่อมีธรรมอาทิปย์ไตเป็นหลักตั้งตัวอยู่ในหลักได้แล้วต่อจากนี้ก็ก้าวไปในการทำงานอย่างที่กล่าวแล้วว่าจุดหมายของการงานทางด้านการเมืองนั้นก็เป็นเรื่องเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน คือสร้างสภาพเอื้อให้ชีวิตและสังคมนั้นได้พัฒนาก้าวหน้าไปสู่จุดหมายของมันอีกชั้นหนึ่งในการที่จะสร้างสภาพเอื้อนี้ก็ขึ้นมานั้นเบื้องต้นก็อย่างที่กล่าวแล้วก็คือว่าประชาชนจะต้องอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนกันไม่มีความเดือดร้อนสังคมมีความมั่นคงปลอดภัยและมีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นธรรม เพราะฉะนั้นหน้าที่ของนักการเมืองโดยเฉพาะผู้ทําหน้าที่ทางด้านการปกครองก็คือการที่จะจัดการบารุงรักษาความคุ้นครองปกป้องโดยชอบธรรมซึ่งทางพระอาารใช้คําว่าธรรมิการักขาก็คืออารักขาที่เป็นธรรมสําหรับข้อนี้ในทางพุทธศาสนาจะมีการแยกรายละเอียดออกไปมาก ถ้าเห็นว่ามีคนกลุ่มใดประเภทไหนบ้างที่ผู้ปกครองบ้านเมืองจะต้องเอาใจใส่ให้การคุ้มครองปกปักรักษาจึงอาจจะแยกเป็นข้าราชการประจําข้าราชการการเมืองข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนและแต่จะแยกซอยออกไปพ่อค้าววานิสมณ์พราหมณ์ตลอดจนชาวชนบทคนที่อยู่ชายแดน และสัตว์บกสัตว์บินสัตว์น้ํานอกจากคุ้มครองรักษาให้อยู่ดีมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ยังต้องช่วยเกื้อหนุนให้เขาสามารถทําสิ่งที่ดีงามทำการสร้างสรรค์ก้าวหน้าไปได้ในกิจการต่างๆถ้าคุ้มครองรักษาประชาชนไม่ได้ให้ความเป็นธรรมให้โอกาสแก่ความเจริญงอกงามของชีวิต และสังคมไม่ได้งานการเมืองการปกครองก็เรียกได้ว่าจะล้มเหลวเพราะว่าข้อนี้แหละเป็นการสร้างสภาพเอือ้อหรือสร้างโอกาสให้แก่ชีวิตและสังคมที่จะงอกงามก้าวหน้าไปสู่จุดหมายของมันข้อต่อไปในด้านตรงข้ามก็คือว่านอกจากส่งเสริมคุ้มครองป้องกันแล้ว ก็คือจะต้องระวังปรับรามแก้ไขปัญหาต่างๆสิ่งที่จะมาขัดขวางไ ม, ม่ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขคือการกระทำทั้งหลายที่ไม่ชอบธรรมที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนที่บนไปที่เป็นผลเสียต่อชีวิตสังคมอันนี้ท่านเรียกว่ามาอธรรมการแปลว่า แก้ไขป้องกันกำราดปราบปรามการกระทําที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ชอบธรรมตั้งแต่โจทย์ผู้ร้ายอาจจะกรรมความอายุติธรรมทุกรูปแบบในสังคมตลอดจกนกระทั่งถึงสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมทางจิตใจและความเสื่อมโทรมทางปัญญาข้อที่สี่ก็มีความสําคัญมากเป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งทางศาสนาก็ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่เรียกว่าปัจจัยการคุ้มครองรักษาประชาชนการที่จะไม่ให้มีการกระทาที่ชั่วร้ายหรือความไม่ชอบธรรมในสังคมนั้นก็จะเดินหน้าไปได้ยากถ้าขาดความเพียงพอทางด้านเศรษฐกิจเป็นพื้นฐาน เพราะฉะนั้นหลักการข้อที่สี่นี้ก็จึงวางไว้ว่าพยายามไม่ให้มีคนยากไร้ท่านเรียกวัฒนานุปทานแปลว่าการจัดสรรปันทรัพย์ให้แก่คนยากไร้ไม่มีเงินทองอันนี้ก็คนที่ยากจนขัดสนก็จะได้รับการต้องได้รับการเอาใจใส่ให้เขามีทางทำมหาลยงชีพ เป็นอยู่ได้การส่งเสริมให้คนร่ำรวยจะกลายเป็นภัยอันตรายถ้าสังคมไม่เอาใจใส่คนที่ยากไร้าขาดแคลนจะในทางตรงข้ามถ้าเราเอาใจใส่คนยากไร้าขาดแคลนให้ได้รับความเกื้อหนุนมีทางเป็นอยู่และฟื้นตัวได้นั้นก็นก การที่จะส่งเสริมความร่ำรวยบางคั n งก็จะกลายเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นแต่ก็จะต้องอยู่ในหลักการคือเข้าใจความหมายของความหมายของความเจริญทา้งพร้อมทางเศรษฐกิจหรือทางวัตถุนี่เป็นเรื่องสำคัญมากทางพระเรียกเรื่องของ ความพร้อมทางวัตถุหรือการมีเงินทองเป็นต้นในรัวปัจจัยหมายความว่าเป็นมีเป็นเครื่องกื่อหนุนถ้าเราขาดวัตถุขาดปัดจจัยสี่เราจะไม่สามารถกล้าไปสู่การสร้างสารรค์และทำความดีงามที่สูงขึ้นไปเพราะฉะนั้น เรื่องของปัจจัยสี่เรื่องของความเจริญพรั้งพร้อมทางเศรษฐกิจทางวัตถุจึงเป็นปัจจัยเครื่องเรื่อนหนุนความก้าวหน้าดีงามและการสร้างสรรนั้นแต่ว่าความเจริญพรั่งพร้อมทางเศรษฐกิจไม่ใช่เป็นจุดหมายถ้าสังคมเข้าใจ ว, าว่าความพรั่งพร้อมทางเศรษฐกิจความมั่งมีกิ้งเสพ บ, บริโภคเป็นจุดหมายเมื่อไหร่นั่นคือความเสื่อมของสังคม ปัญหาปัจจุบันนี้ที่สําคัญมากก็คือคนมีความโน้มเอียงที่จะมองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความรลังง่งไคล้ทางวัตถุเรื่องการเสริโภคกา ร, รบรุโภคบเดอรนี้เป็นจุดหมายไปนั้นสังคมนี้จะตันแล้วก็จะตกอยู่ในความล่มหลวงมัวเมาแล้วก็เสื่อ ม, ม, ม, ม, ม, ม, มเพราะนั้นจะต้องมีทัศนคติท่าทีการมองความหมายของ คามเจริญทางด้านเศรษฐกิจหรือความพร้อมๆทางวัตถุนี้ถูกต้องว่าเป็นปัจจัยคือเป็นเครื่องเครื่องหนุนต่อการสร้างสรรค์ทำสิ่งที่ดีงามที่สูงขึ้นไปซึ่งเราจะต้องมีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาทางด้านจิตใ จ, จทางด้านปัญญาทางด้านศิลปะวิทยาการอะไรต่างๆเป็นต้นไม่ใช่แค่มาบมรุงบมเลเซ่บริโภคแล้วก็จบแต่ทั้งนี้การที่จะก้าไปสู่ ความดีงามการสร้างสรรนั้นก็คือจะต้องให้คนในสังคมนี้ไม่ขาดแคลนวัตถุปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพอย่างที่กล่าวแล้วไว้นั้นข้อสี่ก็คือธนานุกประธานการจัดสรรแบ่งปันทรัพย์ให้กับคนที่ยากไร้าขาดแคลนหรือพยายามไม่ให้มีคนที่ยากไร้าขาดแคลนนั้น ต่อไปข้อที่ห้าข้อนี้เป็นเรื่องทางปัญญาคือนักการเมืองผู้บริหารผู้ปกครองจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญก็คือการแสวงปัญญาต้อถือเป็นหน้าที่ทีเดียวอันนี้มักจะมองข้ามกันไปว่านักการเมืองหรือผู้บริหารแผ่นดิน อย่างที่กล่าวแล้วข้างต้นว่าเรามาดำเนินกิจการบ้านเมืองนี้ก็เพื่อสร้างสภาพเพื่อเพื่อให้ประชาชนและสังคมนี้ได้เดินก้าวหน้าไปสู่จุดหมายแห่งชีวิตและจุดหมายสังคมสร้างสรรค์อารยธรรมเป็นต้นการที่จะทำหน้าที่นี้ได้ก็คือจะต้องมีปัญญา รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงอะไรควรจะเป็นจุดหมายของชีวิตอะไรควรเป็นจุดหมายของสังคมเพราะเราไม่ได้ปกครองหรือว่าบริหารกิจการบ้านเมืองเพียงให้บ้านเมืองสงบสุขอยู่เฉยเฉยคือจะต้องเน้นเรื่องการที่ว่าสร้างสภาพเพื่อ น, นั้นทีนี้ก็เลยจะต้อง มีปัญญาที่รู้เข้าใจว่าอะไรดีงามอะไรเป็นประโยชน์อะไรควรจะเป็นจุดหมายอะไรเป็นอริยธรรมที่แท้จริงเพราะนั้นนักการเมืองนักบริหารนักการปกครองจะต้องแสงปัญญาอยู่เสมอต้องถือเป็นหน้าที่โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยนั้นนักการเมืองนอกจากจะต้องศึกษาเพื่อ พัฒนาปัญญาของตนเองแล้วยังจะต้องช่วยเกื้อหนุนให้ประชาชนมีการศึกษาด้วยชีวิตในสังคมจะดีงามไม่ได้จะมีความสุขที่แท้จริงไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าอะไรดีงามอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์จะตนเองเรื่องนี้เป็นปัญหายิ่งใหญ่ที่สุดข้อนหนึ่งก็คือว่ามนุษย์มีความอยากได้อยากเอาแต่ก็ไม่รู้ว่า อะไรเป็นสิ่งที่ตนควรจะเอาอะไรเป็นประโยชน์กับตนหรือไม่อาจจะเลือกเอาสิ่งที่เป็นโทษกับตนก็ได้และอันนี้ก็คือเป็นปัญหาสำคัญของประชาธิปไตยทำไมประชาธิปไตยจึงต้องมีการศึกษาเพราะว่าการปกครองประชาธิปไตยนั้นเราให้ประชาชนเป็นใหญ่เรียกได้ว่าประชาชนเป็ผู้ปกครองหรือเป็นการปกครองของประชาชน เมื่อประชาชนเป็นผู้ปกครองก็คือประชาชนเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในการตัดสินใจนั้นคืออะไรก็คือตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรและเราก็ถือเอาเสียงส่วนมากเป็นใหญ่จะต้องเข้าใจกันให้ชัดว่าเสียงส่วนใหญ่นั้นตัดสินความจริงหรือแม้กระทั่งความดีงามไม่ได้แต่เสียงส่วนใหญ่นั้นตัดสินความต้องการได้ คือที่บอกว่าประชาชนเป็นใหญ่เอาเสียงข้างมากตัดสินนั้นก็คือตัดสินได้ว่าประชาชนจะเอาอย่างไรแต่เสียงข้างมากนั้นไม่เป็นเครื่องตัดสินว่าจริงหรือไม่จริงคนจํานวนมากถ้าหากว่โง่อาจจะไม่รู้ความจริงยกตัวอย่างบ่อยๆก็เช่น เมื่อร้อยปีมาแล้วคนร้อยล้านพันล้านคนซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่บอกว่าโลกแบนอาจจะมีคนคนเดียวที่รู้ว่าโลกกลมแล้วก็ปรากฏว่าคนเดียวนั้นถูกคนแปดสิบล้านเก้าสิบล้านร้อยล้านพันล้านนั้นผิด<ฮ>เพราะฉะนั้นเสียงส่วนใหญ่ไน้ตัดสินความจริงไม่ได้ความจริงก็เป็นอยู่ของมันอย่างนั้นไม่ว่าคนจะว่าอย่างไร เสียงส่วนใหญ่นั้นก็ตัดสินได้เฉพาะว่าจะเอาอย่างไรคือบอกความต้องการของตนเองนี้สังคมประชาธิปไตยที่ให้ใช้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินก็คือบอกความต้องการของประชาชนว่าจะเอาอย่างไรแต่ความต้องการของประชาชนที่ว่าจะเอาอย่างไรนั้นจะเกิดประโยชน์ดีงามแท้จริงก็ต่อเมื่อประฑิตชนนั้นมีความรู้ ว่าอะไรจริงอะไรถูกต้องอะไรดีงามอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แล้วเขาจะได้เลือกตัดสินใจเอาสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์คนที่จะรู้ว่าอะไรดีงามจริงถูกต้องเป็นประโยชน์ก็คือจะต้องมีความรู้มีการศึกษาเพราะฉะนั้นในสังคมประชาธิปไตยจึงต้องมีการพัฒนาคนให้มีการศึกษาให้มีปัญญาเพิ่มขึ้นอยู่เสมอเพื่อให้ถึงจุดบรรจบที่ว่า ประชาชนที่เปเสีย ง, งส่วนใหญ่นั้นจะได้เลือกเอาหรือตัดสินใจเลือกเอาสิ่งที่จริงถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์เมื่อไหร่การตัดสินใจเลือกเอาสิ่งที่ต้องการนั้นไปตรงกับสิ่งที่จริงดีงามถูกต้องเป็นประโยชน์โดยอันนั้นก็คือความสําเร็จของประชาธิปไตยแต่ถ้าประชาธิปไตย ได้แค่ให้เสียงส่วนใหญ่เลือกเอาตัดสินใจเอาสิ่งที่ต้องการและไม่พัฒนาปัญญาให้รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งดีงามที่ควรต้องการอันนี้ก็คืออาจจะเป็นหายณะของสังคมประชาธิปไตยซึ่งเวลานี้ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาเป็นอย่างยิ่งคือคนเลือกเอาสิ่งที่ตัวเองอยากได้อยากเอาเฉย ทั้งที่มันเป็นโทษไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องไม่เป็นประโยชน์แท้จริงเพราะนั้นผู้นําของประเทศชาติบ้านเมืองจะเป็นผู้ปกครองผู้บริหารในนักการเมืองเนี่ยจะต้องมีการศึกษาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นจึงต้องมีหลักการข้อที่ห้านี้ที่ท่าเรียกว่าปริปุจฉา แปะว่าคอยปรึกษาสอบถามค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอเพื่อให้เพื่อให้ทราบว่าอะไรจริงอะไรถูกต้องอะไรดีงามอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรจะเป็นไปเพื่อความสุขความจเจริญงอกงามที่แท้จริงแก่ชีวิตและสังคมถ้าขาดข้อนี้เสร็จแล้วก็การปกครองแบบประชาธิปไตยก็ไม่สมริศผลขอสรุปว่า การปกครองประชาธิปไตยนั้นคือการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ที่ว่าประชาชนเป็นใหญ่นั้นก็หมายถึงการที่ประชาชนแต่ละคนทุกๆคนมีส่วนร่วมในการปกครองนั้นก็คือมาร่วมกันปกครองแต่ประชาชนจะมาร่วมกันปกครองให้ได้ผลดีประชาชนแต่ละคนนั้นก็จะต้องมีคุณภาพ ที่ว่ามีคุณภาพนั้นก็คือประชาชนนั้นจะต้องหนึ่งถือธรรมเป็นใหญ่คือยึดเอาความจริงความถูกต้องความดีงามประโยชน์สุขที่แท้ของชีวิตและสังคมเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานสองประชาชนเหล่านั้นจะเป็นธรรมปฏิปไตยได้ก็ต้องมีการศึกษามีสติปัญญาความรู้ความเข้าใจว่า อะไรเป็นตัวทำรรคือเป็นความสิงงามถูกต้องความสิงงามเป็นประโยชน์สุขที่แท้รวมเรียกว่ามีศักยภาพในการที่จะปกครองตนเองแล้วประชาชนเหล่านั้นก็เอาศักยภาพของแต่ละคนนั้นมาประสานกันช่วยกันสร้างสารสักงกอของตนเองให้เจริญพัฒนามีความรีงามมีความสงบสุขถึงตอนนี้งานของนักการเมืองก็เกิดขึ้น คือการที่จะจัดสรรสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่สภาพสังคมให้เอือ้อต่อการที่ประชาชนจะพัฒนาศักยภาพขาองตนเองคือมีการศึกษาให้เกิดสติปัญญาจเจริอ ง, งอกงามเป็นต้นอย่างที่กล่าวแล้วว่าที่มีการปกครองการจัดสรรบ้านเมืองให้สงบสุข เป็นต้นให้มีความมั่นคงก็เพื่อให้เป็นสภาพเพื่อตอบความมุ่งหมายอันนี้ที่ว่าอย่างน้อยประชาชนจะได้พัฒนาศักยภาพของเขาพัฒนาตัวเองให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพอันนี้เรียกได้เป็นแง่ที่หนึ่งตอไปสองก็คือนักการเมืองจะต้องหาทางที่จะดึงเอาศักยภาพของประชาชนทั้งหลายให้ออกมา มีส่วนร่วมอย่างดีที่สุดในการสร้างสารรค์สังคมประเทศชาติคนมีสเกยภาพต่างๆไม่เหมือนกันมีฝีมือมีสติปัญญามีความรู้ศิละปะวิทยาด้านต่างๆนักการเมืองก็จัดสรรวิธีการที่จะดึงเอาอสเกยภาพคนเหล่านั้นออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่สังคมและก็สามก็คือว่านักการเมืองนั้นเป็นศูนย์ประสานหรือมีความสามารถในการประสานสเกลภาพ ของประชาชนเนี่ยให้ออกมาร่วมกันในการสร้างสรงสรค์สังคมประเทศชาติของตนเองเพื่อชีวิตแในสังคมที่ดีงามที่ก้าวไปสู่จุดหมายที่พึงประสงค์ที่พูดวันนี้ก็เป็นตัวอย่างของจริยธรรมในการปกครองห้าข้อนี้เรียกว่าจักรวัฎีวัฏหรือหน้าที่ของผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่เราเรียกว่าจากักรพรรด ในความหมายก็พุทธศาสนาซึ่งหมายถึงผู้ที่มีความสามารถปกครองให้บ้านเมืองดีโดยไม่ต้องใช้อำนาจบังคับพะทวนท้าค่อยครั้งหนึ่งว่าหนึ่งพระมา่ปิตไตเป็นผู้ถือธรรมเป็นใหญ่ยึดถือในหลักการในความจริงความถูกต้องความดีงามประโยชน์สุขทิศแท้ของประชาชนเป็นหลักเกณฑ์เป็นมาตรฐาน สองทำวิการรักษาจัด ก, การบำรุงคุ้มครองรักษาที่ชอบทำให้แก่ประชาชนทุกมูลเหล่าตลอดจนสัตว์ทั้งหลายทั้งสัตว์บกสัตว์วินสัตว์น้ำสา ม, มาธรรมการป้องกันแก้ไขกำลับปัาปลาไม่ให้มีการกระทำที่ ไม่ชอบธรรมไม่เป็นธรรมสีรนานุปทานจัดสรรแบ่งปันเฉลี่ยทรัพย์สินเงินทองปัจจัยยันชีพให้โทษถึงแก่คนที่ขาดยาขาดแคลนยากไร้ให้เป็นอยู่ได้ทั่วกันและห้าปริปุชชาคือการแสวงปัญญารู้จักปรึกษาสอบถาม คนคว้าหาความรู้อยู่เสมอและยิ่งยิ่งขึ้นไปในประเพณีการปกครองของมงคงไทยแบบพุทธนอกจากจะกอดัวัดห้าข้อที่ขยายย่อยเป็นสิบสองข้อแล้วก็ยังมีหลักอื่นๆอีกเช่นหลักทศพิธราชธรรมซึ่งเป็นความประพฤติสุดตัวของพระราชา ความป็พส่วนพระองค์ของประราชาหรือความประพื้นส่วนตัวของผู้ปกครองและราชาสังขาวัตถุหลักการทรงครอประชาชนของผู้ปกครองซึ่งมีสี่ข้อได้แก่วิชาสามารถในการบำรุงพืชผันดัญญาหารในข้อหนึ่งเรียกว่าสัสเสมทะ ปีชาสามารถในการธนูบำรุงราดการเรียกว่าปุริสเมธาสาก็ปีชาสามารถและความสามารถในการยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในเรื่องของอาชีพโดยเฉพาะอของธุรกิจการค้าวานิจต่างๆเนให้คนมีฐานประกอบอาชีพแต่แล้วการส่งเสริมสนับสนุน แล้วก็ข้อสี่ข้อสามเรียกว่าสัมมาปะสัณ์แล้วข้อสี่ความสามารถในการพูดจาปราศัยสร้างความรู้ความเข้าใจติดต่อสื่อสารเพื่อให้สังคมหรือบ้านเมือง น, นั้นเดินไปได้วยกันได้เรียกว่าวาชัยะยะ อย่างที่พูดแล้วข้าต้นว่าจริยธรรมพื้นฐานซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนอยู่แล้วนักการเมืองก็ต้องมีก่อนก่อนที่จะก้าวไปสู่การมีจริยธรรมของนักการเมืองเพื่อทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ตามทันทีเพราะนั้นในที่นี้ก็ไม่ต้องพูดถึงจริยธรรมพื้นฐานเหล่านั้นอย่างเรื่องของการมีศีลห้าการเว้นจากอบัยมุข ค, ความไปพู้ซื่อสัตย์ เป็นต้นเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองก็จึดขอกล่าวไว้เพียงเท่านี้ก่อน